สิขาบทวิพัง785ที่ชื่อว่าผ้าห่มหนาได้แก่ผ้าห่มชนิดหนึ่งที่ใช้ห่มในฤดูหนาวคาว่าเมื่อจะขอคือเมื่อจะออกปากขอคําว่าพึงขอได้เพียงราคาสีกังสาคือพึงขอผ้าที่มีราคา16กหาปณะได้คําว่าถ้าขอเกินกว่านั้นความว่าพิกชณีออกปากขอผ้าราคาเกินกว่านั้นต้องอบัตทุกกฏในขณะที่ขอ ผ้านั้นเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงสละแก่คณะหรือแก่ภิกษุณีรูปเดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุณีพึงสละผ้าที่เป็นนิสกีอย่างนี้